ฉันชอบจริงๆเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเหมือนว่าเวลาของเรามันผ่านไปเด็วทุกวันเดี่ยวก็ไมื่เด็กล่าทุกครั้งที่เราเจอกันเวลาจะมาแค่ไหนก็ไม่เคยพอไม่รู้อะไรที่ทำให้เราเข้ากันแบบนี้ทุกเรื่องกบดูเหมือนจะเข้าใจ แค่ ท่องฟ้าตอนเย็นที่มันอบอุ่นเหลือเกินชีวิตที่ฉันมีเธอคดเพลินเธอทำให้ฉันรู้สักดีอยากอยู่ได้กัน That I'm not the one.